พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุทธรธา น, ธานีแสดงธรรมในวันที่18สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าใครจะรู้จักตัวเองเท่ากับตัวเอง วันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระขอประกาศแจ้งให้พระลูกหลานทั้งหลายเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปข้างในก็เตรียมลงอุโบสถเลยนะวันนี้นะเพราะว่าตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายจะมีงานศพคนวัดของเรางานศพพระตู้แว่นนะ ให้พร้อมการบอกบอกกันตรงโบสดเมื่อกลับเข้าไปตามปกติถ้ามันมีอะไรเราก็ตบเที่ยงนัดเที่ยงลงโบสดของพระมารวมกันแล้วก็สวดพระปฏิโมกวันกลึงเดือนกลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนตลอดไม่ว่านานแล้งหน้าฝน แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระเป็นวันทบทวนศีลและวินัยของพระสงฆ์จะมีองค์หนึ่งขึ้นไปสวดพระปฏิโมกข์และพระจํานวน40กว่าองค์กันั่งประนมมือฝั่ง อ, องค์นั้นก็เป็นผู้สาธยายฝั่งพระปฏิโมกข์เนี่ยวันนี้แหะวันอุโบสถวันหนึ่งของพระสงฆ์ฉะนั้นขอบอกต่อๆกันพวกเรา ฉันจะขานเศรฐกจะเตรียมพร้อมละ่ะประมาณสักนัดกันประมาณสัก10บโมงครึ่งนะบอกกันประมาณ10โมงครึ่งลงอุโบสถนะว่าจะเสร็จได้ก็11บเอโมงครึ่งนะเสร็จการลงอุโบสถนะจากนั้นก็ก็ได้บอกให้พระแล้วล่ะว่าจะไปงานศพที่มุมวัดของเรา ติเมนทิศาคงจะไปชุมเพลิงวันนี้ตู่แวนก็เป็นคนวัดตั้งแต่ลิเริ่มสร้างวัดกลับมากับหลวงพอ่อมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตู่แวนผู้ใหญ่ทองเป็นผู้ใหญ่บ้านตู้มิ่งเป็นผู้ช่วยด้วยกัน นันแะเป็นผู้หลวกรวมชาวบ้านมาช่วยวัดของพวกเราตั้งแต่นั่นนะ่ะทีไรก็ต้องเรียกตู้แว่นเข้ามาตู้แว่นผู้ใหญ่บ้านตู้มิงตูข้ขาตู้ผู้ใหญ่บ้านเก่าตู้ผู้ใหญ่บ้านเก่านะั่นแฟนของไม่โซนของเราเนี่ยนะเป็นผู้มาลิเริ่มสร้างวัดมาลิเริ่มสร้างบ้าน บัณฑนาคำน้อยนะถือว่าเป็นคนเก่าแก่นะก่อมาประสบอุปัติเหตุเมื่อวันที่16ที่ผ่านมารถชนกี่มอเตอร์ไซค์ตามลำพังคนแก่นะตามไม่จริงอายุมากๆแล้วก็ควรจะระวังคดีไว้คดีเหมือนกันนะผู้เฒ่านะเพราะอะไรเพราะตาของเราก็มองไม่เห็นไกลหูของเราก็ไม่ได้ยินเสียง สมองของเราก็มันไม่ไวเหมือนสมัยเป็นหนมนะเพราะนั้นควรระวังไว้ดีกว่าหลวงพ่อว่านะพาให้ลูกหลานลูกหลานก็ควรจะใส่ใจสำหรับผู้สูงอายุด้วยจะให้ปล่อยให้ไปกั น, นพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็เทือนใจกระเทือนใจอย่างที่พวกเราเดียวนี่แหละไม่น่าจะเกิดมันเกิดขึ้นได้เพราะถนนหนทางมัน มันไม่ใช่ของเราคนเดียวสาธารณะัฐะ น, นั้นในพวกเราลูกหลานก็ใส่ใจกับผู้สูงอายุหน่อยผู้สูงอายุก็อย่าไปหัวหรื้อหัวลั้นจนเกินไปต้องระมัดระวังเป็นตัวอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละแต่จะตำหนิใครละ่ะจะตำหนิใครก็ไม่ไม่น่าก็ไม่เต็มปากเต็มคาเหมือนกัน กตัหนิทุกคนนั่นแหละถ้าหาว่าทุกคนหยุดในความสำรวมระวังภัยอย่างนี้ภัยอย่างนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในถนนแต่บางครั้งมันก็พลังเผลอบือนกันนะั่นแหละจะทำยังไงละ่ะเราอยู่ในโลกสรุปแล้วอย่ามาเกิดดีที่สุดนะจะทำยังไงจรึงไม่มาเกิดมีแต่ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะจะไม่มาเกิดจะทำอย่างไร ทุกวันเนี่ยมันดูดูแล้วมันเรื่องอะไรต่วมิอะไรเรื่องไม่มีเรื่องไม่น่าจะมีมันก็มีเรื่องไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดในโลกเนี่ยเพราะนั้นอย่ามาเกิดที่ดีที่สุดการที่ไป ม, มาเกิดนั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในเมื่อ2559ปีให้หลังไปไ ป, ปไปค้นพบสูตรสำเร็จ ที่ว่าจะทำยังไงจึงไม่มาเกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายในที่สุดจะทำยังไงจึงไม่มาเกิดพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลาทั้ง6ปีที่โคลนต้นโพนี่หลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกนั่นนะทำยังไงกับหนังสมาธิบำเพ็ญทั้งศีลสมาธิปัญญาศีลมันมีท่านก็มีอยู่แล้วนะไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้ว ไม่ลังแกใครอยู่แล้วไม่อรัดเอาเปรียบใครอยู่แล้วเมื่อศีลท่านมีท่านก็นั่งสมาธิจิตใจของท่านก็เข้าสู่ความสงบในเมื่อจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบแล้วก่อนเดินทางวิปัสสนาพิจารณาไข้ควรทบทวนจากนั้นท่านก็ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6เพย์ น, นั้นจากนั้นท่านก็ได้นําพระธรรม ทำสอนออกมาประกาศเผยแพร่บอกกล่าวต่อๆกันมาเป็นเวลาถึง2559ปีวันนี้ละ่ะ เ, เพราะนั้นในพวกเราคณะสัตยาติโฐมศึกษานะถึงจะไม่ถึงถึงพระนิพพานก็ให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักผ่อนซะก่อนนะแต่โลกทั้งโลกเดียวนี่มันน่า เ, เบือ่อแต่มันน่าเบือ่อทุกยุคทุ ก, ทกสมัยนั่นแหละหน้าไม่น่าจะเกิดมันก็เกิด ม, มีแต่ แกล้งแย่งแก่งแย่ ง, ง, งกันชิงกันเพเนราะอะไรพราะว่าพวกเราทุกทุกท่านาจะทำยังไงได้่ะอพอเราเกิดมาแล้วนะให้พวกเราทุกทุกท่านนะจลุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้หลงพอย้ำแล้วกล่าวอี ก, กว่าตายแล้วไม่สูนูกหลานนะ่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรมันอยู่กับตัวของเราทั้งหมดไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราดีหรือชั่วถ้าคิดดีเหมือนกันใครจะไปรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราคิดดีแล้วเขาเราคิดชั่วมันเราคิดไปยังไงบางทีเราอยากจะได้อย่างนึง แต่วใจของเราเนี่ยคิดอีกอย่างหนึ่งแต่บางทีเราก็พูดเสียงหวานปากหวานแต่ใจของเราเนี่ยขมเปรี้ยวดําปี๋ยิ่งกว่าอะไรอีก why อะไรเพราะว่าเราแสดงออกอย่างหนึง่งเหมือนกับเป็นเจ้าบุญเจ้ากุศลเป็นเป็นเรื่องเป็นคนที่ไฟในบุญในกุศลแต่ที่ไหนได้มันจิตมันเป็นอกุศล ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่านะแต่คนอื่นก็เดาผิดเดาถูกนะตัวเองรู้นะเราทำนี่เพื่ออะไรนะมันเป็นเพื่อหวังผลดีหรือหวังผลเลวนะแล้วต่อไปภายภาพภาคหน้าเป็นไงบางทีกนะ็ประชดประชันเพียงแต่เอารัดเอาเปรียบกันหักเล่หักเหลี่ยมกันมันก็มีอยู่ในโลกเนะี่ยมันน่าเบื่อในชะ่เออ เพราะนั้นพวกเราทุกถูกทันนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทําดีทําชั่วคิดดีคิดชั่วพูดดีพูดชั่วนะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเราที่คิดชั่วก็รู้อยู่แล้วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วก็ดีอยู่แล้วไปทางบาปอากุศลถ้าคิดดีทดําดีพูดดีก็ไปทางกุศลไปทางดีสรุปแล้วก็คืออย่างที่หลวงปู่จามพูดนะนั่นลกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็ม ใครจะเอาอะไรจะเอาดีหรือจะเอาชั่วก็ได้ทั้งนั้นแหละคุณแม่เจ้วคุณแม่ชีแก้วบอกว่าโลกในโลกหาได้เราจะหาดีหรือเราจะหาชั่วเราจะหาดีก็ดีหาได้เราจะหาชั่วก็หาได้เราจะหามั่งมีสีสุขก็ได้หาอยากจนก็ได้อยากจะให้คนที่ชิ้นินทาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ได้อยากจะให้หาให้คนยกย่องสรรเสริญก็ได้มันโลกนี่มันโลกหาได้ เพราะนั้นเราจะหาอะไรสรุปแล้วไปหาดีกันแล้วกันนะอย่าไปหาแต่ความชั่วนะความชั่วมันเป็นทุกขนะ์ได้ความชั่วมากๆเนะีนะ่อนะนะติดคุกติดตารางตายไปแล้วก็ตังตกโลกตกนรกหมกไหมไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพอหาความชั่วนะถ้าหาความดีมีแต่ความสุขความเจริญนะาต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะนันติเนอะ์